การแก่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุทกท่านวันนี้เรามาขอกราบนมัสการลาเป็นพิธีกรรมเลยก็มาจดจำไว้เป็นหลักปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่วัล า, ากรร ม, มาฐานแต่เรามากราบนมัสการลาไปลามาว่าขอชมาลาโทษกับสถานที่ทต่างๆเพื่อขอโหสิกรรมไม่มีเวรกรรมติดตัวไปอย่างนี้ทหาร ไม่ชลากรรมฐานทิ้งกรรมฐานเลยแล้วกลับไปไม่ช้ำไม่เชิญหมายความวเตอย่างนั้นเดีวขอจเจริญพรเราอยากได้พรไหมเราจะไปสถานที่ในก็ต้องไปลามาไหว้เข้าป่าต้องไหว้พีป่าเข้าเมืองต้องไหว้พีเมืองไปลามาไหว้เข้าตลาดไปหากินต้องไหว้พี่ตลาดก็คือใครเป็นเจ้าของตลาดไปหาเขา เขาจะให้ความสะดวกสบายมากนี่โจดมุ่งหมายอันนั้นพระเจ้าสอนมาสองพันกว่าปีแล้วไม่มีใครปฏิบัติพระภูมิเจ้าที่แมโทรนีเจ้าทางยังมีความหมายอยู่ก็ไม่หมายความว่าให้ไปตั้งพระภูมิกันแล้วเปลอะเปลื่อนไปหมดหาที่จอดรถไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นพระภูมิเจ้าที่แมโทรนีเจ้าทางไปไหนก็บอกเล่ากลาวสืบเข้ามั่งถึงจะถูกต้อง บางคนไม่เอาเลยไปก็ไม่ลามาก็ไม่ว่าฉันจะได้พรไมท่านจะได้ของขวัญไหจะไม่มีทางที่จดีขึ้นมาได้ขอฝากไว้ก็ไม่รู้เขาไปไหนจะไปตายที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ไ ม, มรรไม่มีใครทราบเทพเจา้าฟ้าทั้งหลายคนโบรานก็จะลาผีเรือนอออกจากเรือนไม่มีใครอยู่ก็ต้องลาผีเรือนผีเรือนนั่นคือเจ้าที่ เจ้าทางที่เฝ้าบ้านให้เราคืออรลูปฏิวดาเขาจะได้ตามให้พรเราไปอยู่เย็นเป็นสุขทึ้งจยถูกตอก้องไม่ช่หมายความว่าเราจะไปไหวไม่มีเหตุผลําว่าพระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าทางนั้นได้แก่ไรแต่ามาพูดถึบนทศราอย่าแล้วแม่ธรณีเจ้าเอออยู่แล้วหรื อ, อยังสังขารต่างโล ก, กังก็วิถแม่ธรณีจะช่วยเราแนะ่นอน ไปลามาไหว้ขันอย่างนั้นก็จะให้พรแลรวอย่างนี้เรียวกว่าไปลามาไหว้พระท่านเจ้าสวด้ะชัดเจนอาตมาพูดมาทุกครั้งถามโยมตอบไม่ได้เลยนะตอบไม่ได้เราเนี่จะไปก็ไปเนี่ยจะมาก็ามาใครจะเป็นคนให้พรนะก็ไม่ทราบจะไปตายที่ไหนใครจะรู้ด ạ มันลูกของเราเนี่ยไปโรงเรียนก็ไม่บอกไม่ลา กลับมาก็ไม่มาบ้านพาไปเชื่ยวกระเพื่อนแล้วยอมเป็นพ่อเป็นแม่จะเป็นห่วงไหมเป็นห่วงไหมถามดูเหตุผลบางคนก็ไม่เป็นห่วงใครเลยตัวใครตัวมันตลอดเลยการหน้าที่ได้เวลาเรามีค่ามากคนที่มีค่ามีามราคาคนเนีคนนั่นจะไปลามาว่าจะไปเรียนต่างประเทศก็ต้องไปลาพ่อแม่ลาครูบาอาจารย์จะได้รับผ่อน พรฉาดสิทธิ์มากนะมันอย่างเราไปเรียนอาการวิชาคิ้วกงอย่างเขียนได้ไปเรียนวิชาถ้าเมตทานทางเวลาก็ไปลาพระเจ้าตาเยี่ยมไปดอนมานดาก่อนไม่ใช่ลาไปเยี่ยมเพื่อนไะเยี่ยมแฟนที่ไหนอันนี้ชัดเจนมากถ้าเจ้าตาก็จะได้ให้ของขวัญเป็นกําลังไปอย่างตามก็ให้โอวาเราจะไปดีมาดีนะ จะเลี้ยงจบปริญญาเอกเมืองตากศรีนาแล้วไปบ้านช่องขอครอบครองและสุ่มบัติสวัสดีท่านจะให้พอรอย่างนั้นท่านไปลามาไหว้ท่านทําถุกวิธีท่านจะชื่นใจนะบางคนมาไม่เคยมานมัสการไปก็ไม่ลาสุดได้จะได้อะไรฮะจะได้อะไรไปไหมขอถามอาตมาก็ไม่มีทางไปให้พรโยมตามไปให้พรที่บ้านเนี่ยไม่รู้จักที่บ้านนี้ไหนด้วย บ้านอยที่ไหนได้เราตาไปให้พรเงี้ยเดี๋ยคงไม่ได้หรอกเนะี่ก็ขอฝากให้ไปคิดโดยทนะั่วเนี่ยตอนนี้ผู้เจ้าสอนไม่ใช่ของวตรสมาไปลามาไหวอ่อนน้อมทำตนปากหวานตัวอ่อนมือไป็งอนไปสอนลูกหน่อยได้ไหมไปโรงเรียนไว้พอไหมช้ําหนได้ไหมน่าจะตีความหมายตรงนี้ชัดเจนพรสิทธิการเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ตายง่ายอายุสั้น ถ้าไม่เคยขอพรไม่เคยไปไหว้มาไหวไปลามาว่านึกจะไปก็ไปนี่จะมาก็มาเป็นเด็กวัยรุ่นวัยวัยเรียนวัยร้ายวัยเลวไม่ใช่วัยเรียนวัยเลววัยร้ายวัยที่รักษาการในชุดไม่ได้หรือไปที่นาที่ได้เวลาที่มีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายลงนั้นเกิดมาทั้งทีเอาดีไม่ได้เลยนะนี่อย่างนี้จ้ะ ตมาสอนเด็กไปโรงเรียนไว้พ่อแม่เธอสามหุนพ่อแม่เนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนบอกเด็กเขาสิในตำแหน่งพระผู้เริฐของลูกพ่อแม่เป็นพระผู้เริฐไม่เสด็จพระอย่างนี้น่าจะตีความความหมายให้มันชัดเจงขึ้นพ่อแม่เป็นที่เคารพ บ, บูชาพระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ของอาตมา ตำแหน่งของพ่อแม่คือเป็นพระผู้ประเสริฐของลูกลูกควรจะเคารพบูชาอย่างสูงยิ่งเราท่านทั้งหลายเอากับข้าวไปถวายพระลาหน์ท่านยังไม่หลับเพราะเหตุใดจึงไม่หลับท่านถามย้อนไปว่าพระในบ้านถวายหรือยังพระในบ้านถวายหรือยังยังไม่ถวายปล่อยนอนอเป็นอมาพาตไม่เคยดูแลพ่อแม่เลย ได้ข่าวว่าพระอาหารหันต์มาปากดก็อยากจะมาถวายอยากรวยแต่ทิ้งพ่อแม่เป็นพระผู้ประเผยของลูกในบ้านพระอาหารหันต์จึงไม่รับไม่รับอาหารให้ไปถวายพระในบ้านจนไปถวายเหลือแล้วมาถวายพระอาหารหันต์ท่านจึงจะรับนี่มีหลักฐานไม่เคยพูดกันชงเดชไม่มีเหตุผลแต่ใครทําได้รวยแต่ใครด้เคาพรพพ่อแม่พระอาหารหันต์อย่างนี้ไม่เคยเฉียงพ่อแม่เลยรับรองรวยมหาศาล เป็นบุคคลตัวอย่างเทวดารักขาเทพีเจ้าสมควรที่จะให้พรบุคคลเหล่านั้นเป็นคนที่รักพ่อรักแม่รักษาพระในบ้านไว้อย่างดีปิดทองพระในบ้านอย่างดีแล้วบางทีไปปิดทองพระที่อื่นพระในบ้านไม่ปิดทองเลยไม่เคยปิดทองพระในบ้านเลยโยมคงไม่เข้าใจํานี้แน่นอนวันนี้จะพูดให้เข้าใจตาคายตั้งใจฟัง ปิดทองลนพระในบ้านให้ได้สามแผ่นได้ไหมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจะ ต, ต้องไปปิดทองวชิโยไปปิดทองลืมพระในบ้านเดี๋ิต้องปิดทองวันละสามแผ่นสามแผ่นปิดตรงไหนไม่สราบหนุ่มสาวรุ่นใหม่ยิ่งไม่ทราบคนแก่ยิ่งไม่ทราบใยายเลย่อราะไม่รู้จะปิดตรงไหนพระพุทธเจ้าสอนชัดเจนมากแต่เราท่านทั้งหลายไม่ยอมฟัง ไม่สนปัจจัยปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจา้าโดยไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเอาปัจจัยมาถวายพระพุทธเจา้พจาพระเจ้าไม่ิจะให้กระชวยไม่เคยอยากได้ใครแม้แต่สตังเดียวแต่พระสงรุ่นหมายอยากได้สตังแลายคนถวายมากโอเคเอาอะไรก็บอกได้เป็นไปใช่อย่างนี้แล้วโลภมากอยากได้แต่เสียเพราะไม่เอาด้วยดังที่กล่าวหน้าเสียดายเวลาแล้วมีประโยชน์แตมีค่าผลัด ชัดเจนแลยขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยในวันนี้เราผ่าไปตั้งรพรภูมิเจ้าที่ไปหาอะไรไหว้กันไม่มีวิญญาณพรภูมิเจ้าที่เราไปเนี่ยไปไหว้เจ้าของที่เขาก่อนใครเป็นเจ้าของที่ไหว้ป่าเจ้าป่าเราจะไปหากินในป่าจะได้สะดวกสบายใช่หรือไม่เข้าตลาดก็ต้องไปไหว้ผีตลาดใครเป็นเจ้าของตลาดไปหาเขาก่อนไปฝาตูเขาก่อน ได้เราจะได้ไปร่วมค้าขายกับเขาไม่ดีกว่าหรือประาการได้ทัยตีความให้มันแคบไปเลยไม่กว้างขวางเลยนะข่าวัดต้งวาีวัดก็ไปหาเจ้าว่าผู้ที่เป็นใหญ่ในวัดนัน้นจะให้ความสุดวกสบายอย่างยิ่งตรงนี้เป็นจุดคือพระภูมิเจ้าที่แม่ทรณีเจ้าทางเลยเลิกวาเลยไปตั้งสารพระภูมิก็ตะเกะกะบ้านไปหมดเลยผัวเมียก็ทะเลาะ ก, กันตลอดพระภูมิช่วยด่านยะ ไม่เหยยบภูมิตรงนั้นเราะชาวบ้านขาดพระภูมิสามทะเลออกกาะกันขนาดเป็นดอกเตอร์ทะเลออกกาะกันตั้งพระภูมิก็ไม่ก็ไม่หายช่วยก็ไม่ได้พระภูมิมีวิญญาณเหร อ, อย่างนั้นน่าจะเคารพเจ้าของที่เขาบ้าเคารพพ่อแม่บ้างไหมใครเป็นเจ้าของที่เนี่ยแล้วใครเนี่ยให้ที่เราไม่ใช่พอ่อใช่แม่นะ น่าจะตีความหมายอย่างเนี้ยพระภูมิสามบางคนก็ไม่รู้ภูมิรู้มีไหมไม่เรียนภูมิรู้เลยแล้วภูมิอะไรอีกภูมิธรรมมีธรรมประจําใจไหมมีภูมิฐานฐานะดีไหมนี่สามพระภูมิใช่ด่าแต่จะไม่ทะเลาะกันเลยสามีภรรยาจะอยู่ด้วยความเพื้อนปีติยนินดีอยู่ด้วยทรสีตการนแน่นอนแต่แล้เวเราก็มองมานั่งทะเลาะกัน นี่แหละมันั่กรรมฐานได้อะไรบ้างธรรมดาไรบ้างสามวันก็ได้อย่างนี้เจ็ดวันได้อะไรอีกกลับไปบ้านเลยกันเลยน่าจะตีความหมายในชีวิตท่านว่าควรจะแก้ไขปัญหาชีวิตท่านกลับไปบ้านไปสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นอีกลืมพระภูมิเจ้าที่แมโทรลนีเจ้าทางลืมการสักการละบูชาผู้มีพระคุณ กระพุ้มตัวนี้หมายความว่าที่เนี่ยใครเป็นยกเขาย ก, ย ก, ย, กยกให้เราแล้วนึกถึงบุญคุณเขาเมืม่อไงว่าเขาให้ที่เราประกอบอาชีพการงานแต่เขาก็ตายไปแล้วนึกถึงความดีเขาบ้างอไงแต่นึกถึงความดีเขาที่ทางนี้ก็มีประโยชน์ต่อเราที่เขาให้เราไห้ถูกต้องไหมกระแตยูตัวเวทีตาทำเท่านี้เองแต่เราจะไม่มีโอกาสที่จะทําดีได้อกแเพราะฉะนั้นเราจึงมีพิธีไปลา ม, มาไหว้กัน แล้วก็ขอวันธาเสมาวันธาลูกลูกอมูลเจดีอารามในวัดทุกอย่างไม่มีเวงกรรมการขอสมาลาโทษกันจึงจะถูกต้องแล้วท่านมาอยู่นี่ท่านมนนี้คือบุญคุณของวัดมันเลยไม่เคารพสถานที่มังเลยเดียวนี้จะไปก็ไปนี้จะมาก็มาแต่ท่านบางทีไปเอาบาปไปก็เยอะนะบางคนก็เอาบุญไปเยอะบางคนก็เก็บบาปใส่กระเป๋าไปเลยไปถึงบ้านเดือดร้อนต่อไป เดือดร้อนต่อไปอีกมากหลายท่านอาจะตีความอย่างนี้พรสีประการทุกคนอยากได้เราจะเห็นในพระชนสวดมนต์เสมอว่าพิวาธานาสีลิสนิกจางวุ ธ, ธาปจาัจายุโนจัตตาโลธรรมาวาชัชานติอายุวโนสุขังพหลังพรสีประการไม่จําเป็นต้องโยมทุกคนแค่เด็กก็อยากได้พรทีหนึ่งต้องการอายุยืนไม่ต้องการตายไม่ต้องการตายคืนนี้ ตองกาอายุมานฝันยืนอยู่ไปจนกว่าชีวิตหาไม่ถึงอายุห้าหกสิบไม่ตอนกายะตาต้องการตายคืนนี้แต่ยอมมีคนมาให้เงินพันล้านเอาไหมขอให้ตายคืนนี้เอาไหมจะเอาไหมเอาเงินไปเลยสดๆแล้วให้ตายคืนนี้เลยไม่มีใครเอาแต่ไม่รู้จะคิดอะไรกันคิดโลกแตกอยากได้เงินในทองแต่ไม่อยากตาย เขาจะให้เงินโยมสักร้อยล้านให้ตายคืนนี้ตีหนึ่งเอาไหมให้ตายตีหนึ่งแล้วร้อยล้านไปให้ใครงั้นตะเกียรจตะกลายไปหาเงินให้ทองมาทาไมบางคนจะไปซื้อทองจะไปซื้อเพชรมีเงินไม่รู้จะใช้อะไรใช้ไม่เป็นอยากซื้อทิ้อทองซื้อเพชรน่าจะหาเพชรดวงใจสายสหติไว้ในดวงจิตจารนัยเพชรให้มันแวววับประดับกายด้วยปัญญา มาจะตีความตรงนี้ให้มันมากกว่าที่จะตีความอย่างอื่นมีเงินจะไปซื้อเพชรมันเหมาะในปลายาไอ่ในวันนี้เขาข่าวข่าวเขาลือกันไปซื้อเรืองขัดทองไม่รู้ใครขัดทองต้องหยิบเกตุ้สามสิบบาทว่าเขาไปเลือกกันที่เยาวราชแต่ก็ดีนะไอตมาไม่ไข่คอแล้วไข่มีก็ซื้อไว้ดีแต่ตมาต้องการจะให้ทองคําธรรมชาติ เพชรน้ำหนึ่งในดวงใจใช่ไหาคคือเพชรนาวลัดกาบให้จาร น, นัยเพชรให้มันแวบออกไปด้วยปัญญาอย่าอยู่ในมืดที่มืดชีวิตนี้จะอึดอัดชีวิตนี้จะแก่ปัญหาชีวิตไม่ได้อึดอัดอึดอัดหมดเงินหมดทองก็อึดอัดอึดอัดอยู่ที่มืดมันอึดอัดกอจาร น, นัยเพชรให้มันเกิดแสงหน่อยได้ไหมคือกรรมฐาน หน้าจะจจรานายหุตดจิตหุดใจเราให้มันเกิดแสงสว่างคือตัวปัญญาบ้งางไปมีไปจจรานายให้ให้จิตใจมืดเลาไปมืดเลยมัวหมองเศร้าหมองใจหน้าเสียดายโอกาสเวลาของท่านมากอย่างยิ่งยิ่งคนต้องการอายุยืนเนี่ยถอนสองต้องการผิวพรรณผ่องใสไหมต้องการหน้าดำข้าเพรียดไหมขอถาม ต้องเครียดไหมต้องอย่างหน้าต้องเกาหน้าดำไหมเหมือนจอร์นาจอร์ลากาหน้าขาวจะไปขอลูกสาวท่านเท้าด่าหาจอร์ลากาหน้ามันขาวเลยหน้าขาวเหลยแต่อจอรลกานี่ใจมันดําหน้าขาวได้ยังไงหน้าตีความคิดให้มันเข้าถึงตัวเราต้องการผิวพันธ ong ใสไหม คนต้องการผิวผ่านบางสายเป็นพรอาประเสริกล้าเลือดทุกระดาษมีมังไหต้องการหน้าดําคําเครียดมัจจรตาใจด ำ, ำเอาม่ห็นเที่โหมดทารุนดูร้ายขาดตัวไปให้จําตายต้องการตรงนั้นหรือพี่น้องที่รักต้องการตรงนั้นเหรือก่อนนาเียนาเชื้อใจด้วยต้องการไปค น, น, น, น, น, นใจดัจบถ้าเราใจขาวสะอาดมีเพชรน้ำหนึ่งในดวง ใ, ใ, ใ, ใจ อาจจะมีแต่เมตตาพลานี้อริเอื้อเฟื้อข่ะเลือยงให้ดูกันท่านจะอายุยืนมากไม่ใช่น้อยจะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บน่าจะตีความตรงข้อต่อไปต้องการสุขภาพอนามัยดีไหมต้องการไปโรคมะเร็งไหมนี่ตายไปสามศพแลยเมื่อคืนโรคมะเร็งทั้งนะโทรมาให้ช่วยเราช่วยไม่ได้ตายแล้วตายไปแล้วเลิกป้าหู้ใจยเยอะเอาป้าบ อ, อกก็ไปเนี่ยไปวัดโสมมนับได้เล ่มาคืนไปนะฮะสามศพโรมะเร็งทั้งนั้นอีโค้หนึ่งโทรมาเป็นโรคมะเร็งจะตายจะมานั่งกรรมาฐานบอกเสียชยัยเวยนะเขามานั่งกัรตอนที่ยังไม่แปลงอย่างนี้ต้องไปโรงพยาบาลไม่ไม่ใช่ที่โรงพยาบาลขอฝากพวกนักกรรมาฐานไปด้วยเวลาจะตายค่อยมาเข้าวัดเดินจงกรมไม่ได้้วทำอะไรได้ เอาไว้ใจตายสิใกล้จะตายขึ้นมาค่อยมาวัดหรือเอาแแปละมาเลยก็ดีนะนาเสียดายชีวิต ท, ท่านหมดค่าเสแล้วหรือหมดราคาเสแล้วหรือขอฝากอาจจะเสียใจต่อท่านแต่หมดลมให้ใจตอนจะเสียใจนะไม่เป็นไรนะของดีอยู่ในตัวท่านท่านเอาไปชิ้ขอฝากว่าสุขภาพปัญห า, มาไม่ดีอาลมเสียอารมณ์ไม่ดี อาจจะเป็นเทพเา็นเจ้าอยู่ในชั้นฟ้าได้ยังไงแค่สมบัติของมนุษย์ตัวยังมีไม่ได้ศักยภาพมนุษย์หมดเลยความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีแล้วความเป็นมนุษย์น่ะจิตใจมันสูงนะอารมณ์ดีมีปัญญาคือกรรมฐานถึงจะอยู่ในศักยภาพของมนุษย์ที่ดีได้จะสวยน่ารักจะมีฮิโอตะัะปมีความจะสงี่ยมเจียมตัวสวยน่ารักมีโอตระป มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปทุจริตผิดจรินธรรมถ้าท่านเข้าคันนั้นได้รับรองท่านจะเป็นเทพพระเจา้าอุสิงเกษตรอยู่ในจิตใจของท่านในดวงใจสะอาคือเพชรน้ำหนึ่งในึน่งใจจะมีประโยชน์กับตัวเองท่านไม่ใช่น้อยขอฝากไว้สุขภาพอนามัยดียังไม่พอต้องการงานสาเร็จไหมทุกคนไม่มีเลยที่ว่าต้องการให้งานไม่สำเร็จ งานอดุนักุมข้างค้างไม่มีเลยที่จะต้องการอย่างนั้นต่อ ง, งานชรัพย์สินเงินทองค่าทาาบริวารอยู่เย็นเป็นสุขในบ้านของตนต้องการไหยต้องการก็ต้องไปขอพรโดยที่ไปลา ม, มาไหว้ไปยกมือว่า้เทพเจ้าทั้งหลายเทพเจ้าก็ให้พรแล้วกราบพระนารายณ์พระนารายก็ให้พรหลาเพราะอลไปัญญาคุณอยู่ในใจพุทธทางฉน่างฉามิตรอพระพเจ้าอยู่ในใจเรา ผู้เจ้าอยู่ในใจเราคืออะไรคือพระปัญญาสองพระวิสุทธิคุณสามพระมหากรนคุณดูที่ใจเราแล้ ว, ลวนี่แหละพรปัญญาเกิดสามถานที่เราจะต้องได้เลยปัญญาเกิดจากสุตะมายาปัญญาเกิดจากศัทธาฟังสนใจฟังทบทวนฟังเก็บข้อมูลเข้าไว้ และปฏิบัติทรรมที่จะอรอรีจัด ก, การได้เกิดปัญญาในการฝังสองจิงตลามะปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดเราคิดแลด้วปฏิเสธสร้างสามลี่เริ่มดังเมิน ง, งานทรรมที่จะรอดีจะรดการได้เกิดปัญญาในการคิดเนี่ยท่านต้องได้แต่ท่านไม่ได้ก็เสียใจกับท่านด้วยนะไม่มีความคิดเลยเหรอนะสาม เกิดภาวนาเมยปัญญาปัญญาภาวนาเกิดอะไรสามารถจะผูดขึ้นมานี่ลิ้นปีนีสามารถจะรับจ่ายความชั่วอยู่ตัวได้ล ะ, ละละทธิทีทได้ปัญญาเกิดจากการฟังกับการคิดละทิธีไม่ได้คิดเฉยจะไม่ทําและย้ําอับปีตลอดการคิดเฉยไม่ทำํำฟังเฉยไม่รู้ดูไม่เห็นเป็นพยาหลักฐานจะได้หรือประกันได้ จะไม่มีโอกาสที่ดีกว่านี้เลยขอจเจริญพอรอย่างนั้นปัญญาภาวนาเมยะปัญญาอย่างที่เรามานั่งได้ครบทั้งสามประการปัญญาเกิดจากการฟังที่จะมาพูดนี่ฟังไหมฟังเกิดปัญญาคิดไหมเอาไปคิดไหมประเดีษสร้างสารมา้งไหมเอาไปคิดโยมว่าเกิดปัญญาในการคิดโยมนนะ้าภาวนากำหนดสติปัฏฐานสี่ไหม จิตกำหนดไหมตาหูจมูกริางกายใจกำหนดไหมเสียงหนอเหนหนอรู้หนอคิดหนอโกรธหนอเสียใจหนอกําหนดไหนี่เรียกว่าองค์ภาวนาเมยะปัญญาภาวนาให้มันเกิดปัญญามันปลูกขึ้นในดวงใจเฉยๆเรียกว่าอา่านหนังสือไม่ต้องมีตัวมันจะพูดมาบอกเราเองพูดบอกนี่ตรงนี้คือปัญญาแก้ไขปัญหาปัญญาแก้ไขปัญหาไม่อยากมานั่งฟังเลยไปแก้ได้นะ เพียงแต่คิดแล้วก็นอนนอนแล้วก็คิดมันแก้ไม่ได้ปัญญาที่ได้จากภาวนามันออกมาเป็นตัวหนังสือโดยไม่ต้องมีตัวที่มันผุดในหนังสือเล่มมันอยู่ในดวงใจนี่เป็นเรือกเพชรในน้ำหนึ่งในดวงจใจจะแก้ปัญหาโยมได้เรียกว่าปัญญาภาวนาขอให้ไปใช้เป็นกิจประจําวันทุกวันเลยนะไม่ใช่กลับไปบ้านเลิกเลยเหรอเลิกเลยเหรอ กโกรธใครก็กโกรธช้างคืนเหละเช้าหน้าเหมือนยักษ์หน้ายักษ์มันสวยไหม ย, ยักษ์มันยิ้มมีไหมไม่มีเลยยักษ์เอวยักษ์กล่ายักษ์เหนือยักษ์ตายักษ์หลอกยักษหน้าตาเหมือนยักษ์ไม่น่าดูเลยนะถ้ายอมไม่มีปัญหาเก็บความรู้สึกอายัดตัดปัญหาไปเลยโจดหนอโกรธหน อ, ห น, อนี่ริปีเนี่ย ทำเลยจ้ะแก้ปัญหาเลยจ้ะไม่ใช่ไม่แก้ไปแล้วกลับเลยโกรธตะพื้เลยเก็บความรู้สึกไว้เป็นเลวร้ายเลยสะสมบาปไว้ตลอดเลการโยมเอาบาปกลับไปบ้านเหล่เนี่ยน่าจะแก้ปัญหาช่วยให้ด่เสียใจยทําไมยกตัวอย่างเสียใจยเรื่องสามียกตัวอย่างเสียใจยเรื่องลูกไปเรียนหนังสือเสียใจเรื่องพี่นอ้องไม่กลมเกลียวไปในเดียวกัน เอาเลยภาวนาเลยได้ไหมภาวนาว่ายังไงฮะตรงที่เลยในห้องน้ําก็ะดัเสียใจหนอให้ยใจยาวๆต่อตาหมูทุนสะดือทำได้ไหมไม่ได้กลับไปลืมเลยไปทิ้งที่หลังวัดที่หมดเลยไปทิ้งหลังวัดหมดเลยแล้วกลับไปจะตัวเผาบาไปเต็มเปาจนกระเป๋าเอาบาไปด้วยเหรอเนี่ยอ้ามาว่าทําให้ได้บุญนะเสียใจด้วย นี่วันนี้มาพูดให้ฟังเนี่ยเสียใจหนอให้ใจหยุดหยาบถ้าสมาธิหม้อมัตตอรี่ไฟเต็มจะแก้ปัญหาได้ภายในหนึ่งนาทีแต่หม้อมัตตอรี่โยมไฟหมดไม่ชาร์จไฟเลยหม้อมัตตอรี่เสียอีกนะหม้อมัตตอรี่เสียอีกนะรับลองเป็นไปไม่ได้เลยคิดอะไรไม่ออกเลยเสียใจหนอน่ะเข้าเสียใจใหญ่เลยทะเลอกกันใหญ่เลยนี่ตรงนี้หม้อมัตเตอรี่หมดไฟ ยกหมอทิ้งไปเหอะใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าโยมนั่งสมาธิอยู่เสมอเสมอต้นเสมอปลายคทาว่าเสียใจหนอเพียงไม่เกินห้านาทีจะพูดออกมา ท, ทันทีไปเสียใจเรื่องลูกลอ๋อไปเสียใจเรื่องสา ม, มีไม่ขับบา้าเสียใจเรื่องสา ม, มีเรื่องการพนันยกตัวอย่างนะนี่สมมุติแห้ฟังเสียใจเรื่องสา ม, มีไปมีภรรยาใหม่ไอ้สติตัวหนึ่งไม่จะบอกเลย เสียใจหนออ๋อแก้ได้แก้อย่างไงตัวที่สามออกบ่ออีกหนังสือตัวที่สามเสียใจหนอแก่อย่างนี้แก้ที่ตัวเธอจินวัตรจาไว้เลยนะไม่ใช่ไปแก้ที่ผัวเนะี่ยแก้ที่เรานะเข้าใจไหยจำไว้เลยเราเป็นภรรยาแก้ที่เราเนอะไม่ใช่ไปแก้ที่โน่นจะตามไปบา ท, ที่หน้าบา้น า, บานนะี้ยาเป็นบาปไล่แรงเหลือเกินแก้ที่ตัวเรา เราเป็นภรรยาแก้ยังไงสวดทามมะกาแล้ว เ, เดินจุกลมเลยเดินยกลมนั่งภาวนาแผ่เมตตาให้สามีไม่โกรธไม่เกลียดไม่ผูกพยาบาทกระทั่งที่เธอเนี่ยฉันเสียใจเรื่องเธอมีสามี อ, าอ้เรื่องคอร์สอเสียใจเรื่องเธอมีแฟนฉันไม่เสียใจเนี่ยฉันจะลากตัวฉันเองต่อไปฉันจะไม่ขอพึ่งเธอต่อไป เท่านี้เองนะแล้แผ่เมตตาสามีกลับทันทีเท่านี้จินวัตจำไว้สอนกันหน่อยไม่ใช่แก้ที่ต้องโนตแก้ที่ตัวเรานะโยงไปคนเสียใจไปแก้ที่คนไม่รู้เรื่องใดแล้วสี่สหายจําได้ไหมจาได้ไหมแล้วโกรธโกรธในกอไปแก้ที่ในกอได้หรือไปด่าในกอนะไปสร้างปัญหาอีกต้องแก้ที่ตัวเราสิคะ โกรธในกอในกอเนี่ยเป็นคนเลวเราโกรธกับทั่งที่ในกอเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเนะไม่รู้เรื่องเลยเราเนี่ยเป็นตัวบาปที่สุดผู้เจ้าสอนเนี่ยวันนี้มาพูดให้เขาา้าใจถ้าไม่เข้าใจาเขานี้เลิกพูดเลยตั้งแต่วันนี้เลิกพูดแล้วพูดเขาไม่เขาา้าใจเราเสียใจยด้วยกําหนดทับอ๋อต้องแก้ที่ตัวเราทางนั้นต้องชนะใจเราด้วย อย่าพยัญชนะใจสามีอย่าพยัญชนะใจลูกชนะตัวเองฮะลูกไปเรียนต้องเสือเสียใจร้องไห้ลูกตียาเสพติดเสียใจร้องไห้อย่าไปแก้ที่ลูกใครเป็นแม่แก้ที่แม่ก่อนแม่ก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้ลูกไหมลูกจะกลับใจทันทีแต่ไปแก้ด้วยการตดยาลูกหรือตีลูกไม่มีประโยชน์เลย ถ้ายมตามประญาสามีที่มีแฟนสามีก็จะเกือดทีทีิจะไม่กลับบ้านเลยขอประทานโทษนะถ้ายมกาหนดหน้าโกรธนอ <c oughs> อารมณ์จะดีร้อยเปอร์เซ็นไม่มีผูกพยาบาทกับสามีไม่เคยมีแต่สงสารสามีสงสารสามีเหลือเกินอุตส่าห์แต่งงานกันมายี่สบสิบปีแล้วก็น่าพิจารณาว่าไม่น่าเธอไม่น่าออกไปยาง แต่ฉันสองสองสารเธอไม่น่าจะไปมีใหม่เอาละเธอมีใหม่ก็ไม่เป็นไรฉันจะแผ่ไม่ตายเธอฉันเสียสละให้แล้วเราก็สบายใจผลสะท้อนย้อนกลับมุมกลับฉายไปฟ้าลงในฝาผนะจะย้อนมาหาเราเดี๋ยวเขาก็กลับมาดีกับเราได้ตรงนี้น้าเธื่อแก้กรรมฐ า, านพาไปด่าเขาเลยไปฟ้องกันเลยใช้ได้แล้ว ตอขอฝากพวกกรรมฐ า, านแก้ปัญหาไม่ตกเพราะท่านยังโกรธอยู่นี่ยังเปรียดอยู่เนี่เนื้อคนกะทิเขาก็จะไปโกรธเขาเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่ได้โกรธเราแต่เราก็บาปคนเดียวใช่ไหมเราเป็นคนบาปคนเดียวท่านแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับคือใครก็คือหลักเพราะพระพุทธเจา้าสอนให้ทําตรงนี้ไม่ไปไปทําตรงโน้นไปด่าเขาคุณน้นไปด่าคนนี้ไปด่าลูกคนโน้นด่าคนไม่มีปัญหาเลย ไม่เกิดประโยชน์ผลที่ผลเด็ดขารใดนี่หรือท่านจะแผลไม่ตายเขาได้ท่ารทาไม่ได้ครับนะถ้าท่านไม่หันมุองกลับถ้าท่านทาตัวท่านได้แหละแก้ปัญหาที่ตัวท่านไม่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเวทเหมือนต้นหมากลากไม้อย่างนั้นแก้เดวดขารเอาน้าไปรดที่ยอดให้มันออกดอกไวๆเป็นไปไม่ได้ต้องแก้ที่ตัวต้นเหตุคือตัวหลัก เราโกรธเขาต้องแก้ตัวเราอย่าไปโกรธเขาเลยใช่ไหมโกรธหนอโกรธหนอะพอเราหายโกรธแล้วจะเห็นความดีของเขาท่นทานทีเห็น ว, ว่าจะมาจะเห็นความดีถ้าเราโกรธกัน ห, หน้ามืดเลยด่าแหลกเลยไม่เห็นความดีของเขาเลยคิดจะฆ่าพระพุทธถ้าเราโกรธหนอเราหายโกรธใช่ไหมเราจะเห็นความดีความชั่วเขาจำมองมาเห็นความดีของเขากลับมีประโยชน์กับเราจะไม่โกรธเขาต่อไปเท่านี้เอง แต่ถ้าไม่ได้ก็เสียใจด้วยที่มานั่งกรรมาฐานไม่ได้อะไรกลับองค์นี้ขอฝากเขาด้วยไม่ใช่ไปนั่งไปสวรรค์นิพพานไปนั่งในกรุงเทพโน่นจบขอดได้ยานที่หกแหละแต่ตรงนี้ทําไม่ได้เลยทําไม่ได้เลยเสียใจก็ย่อมจไม่มีคอดแต่ละลึกชาดได้ไหมรู้กฎแห่งกรรมไหมแก้ปัญหาชีวิตได้ไหมเท่านี้เอง ทำไมทําไปยาวถึงไปสวรรค์เลยอ่ะไปนิพพานเนี่ยน่าที่ได้โอกาสเวลาท่านที่มีไม่มากนะเวลาคุณท่านมีไม่มากแนละ้วที่มันผ่านมามันมากแล้วที่อยู่เนี่ยท่านรู้หรือว่าเนี่ยจะ ต, ตายวันไหนท่านรู้หรือว่าท่านจะอายุต้องร้อยปีท่านรู้หรือว่าอายุท่านจะถึงสองร้อยปีข้างหน้าเป็นอย่างไรน่าจะตีความปัจจุบัน ก็ขอประทานโทษญาติโยโมผู้ปฏิบัติอดีตอย่าลื้อฟื้นได้ไหมเรื่องเดิอย่าคิดกิจที่กิชอบทํไม่งั้นเราจะเสียวเวลาไปคิดถึงอดีตไปคิดมันทำไมย้อนอนดีตทำไมแล้วแต่ควรจะย้อนปัจจุบันคือปัจจุบันนี้เราต้องทำให้ได้แก้ปัญหาปัจจุบันสาหรับในยุคนี้อย่าไปแก้อนาคตเราจะคิดว่าอนาคต อย่าจับมันคัานมันตายนี่พูดมานานแล้วผิดหวังรวมก็เสียใจตลอดชีวิตนะไม่ควรจะจับมันเหงมันตายมันยังไปอันอนี้จ้างทุกขงังในตาคิดว่าจะได้เงินจากเขาเหรอคิดจะได้เงินจากคนนี้เหรอถึงเวลาไม่ได้แล้วจะเสียใจต่อภาย ห, หลังเนะนี่ยตกะรกเลยนะตาย ป, ไปัญญรกทันทีคิดการข้างหน้าโดยรู้เรื่องอะไรหละไม่มีประโยชน์ในชีวิตเลยนะ ขอปากญาโยไม่ต้องตีความก่อนสิกําหนดหน้เนี่ยลิ้นปีเนี่ยกําหนดได้นะเอาไปใช้ในกิปจประจําวันได้เลยเนาะแล้วโกรธใครแล้วแก้ที่ไหนแก้ที่ไอ้ตัวโน้นได้เหรอละแล้วโกรธสามีแล้วโกรธลูกไปหัวร้างทางแตกผิดหมดเลยท่านเสียใจยมากถ้าท่านโกรธหายโกรธลูกข้ามาพาประบันตะโกตัวหน้าสมโอลับหลังส้มเจงเจงไม่ลูกชัดเจนมาก คนที่ํำหนดได้หายโปรธเมาาื่อไรจะคิดถึงความดีเขาได้ในวันนั้นเคยไปทางข้าวบ้านเขาเคยเอาลูกเราไปฝากโรงเรียนเราเคยไปอยู่บ้านเขามาได้รับความสุขสบายจะคิดทั้งความดีของเขาอย่างนั้นจะไม่คิดถึงความช่วยใอไปเลยเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยแก้ปัญหาแต่โยมไม่เข้าใจเนี่ยก็เสียใจก็โยมไปมองค น, งนยนแง่ร้ายหม คนเรานี่มันทั้งดีทั้งแง่ดีแง่ร้มีทั้ง ด, ทง ด, งทงดีทั้งทั่วนะไม่ใช่ทั่วทั้งหมดไปถ้าเราอารมณ์ดีมีปัญญามีเพชรในดวงใจเนี่ยจะมองคนในแง่ดีหมดแสงสว่างของคนมันมีอยู่ทั่วไปถ้าหากว่าเรามีแง่ทั่วจะมองคนในแง่ทั่วดีกัดอย่างที่มาในวัดเนี่ยจะมองคนในแง่ชั่วเพราะจิตใจมันทั่วมาจากบ้านเห็นคนทั่วหมดไม่มองคนในแง่ดีเลย ถ้าเรามีจิตใจใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วจะมองคนในแง่ดีตลอดไปเราไม่มองคนในแง่ลายเกิดอะการดาชัดเจนจะฉายมือนก็จกจะมองในแง่ไหนในมุมไหนดีหมดเลยฉสหมดมองคนในแง่ดายมุมดายดีหมดไม่มองคนในแง่ร้ายถ้าเราจิตไม่มีสมาธิกังวนวุ่นวายอยู่ตลอดเลยการจะมองคนในแง่ร้ายหมดอารมณ์ไม่ดีมองคนในแง่เสียหมด ถ้าอารมณ์ยอมดีนะจะมองคนในแง่ที่ดีที่เราพบกันคือมีประโยชน์ต่อการในวันนั้นถ้าเร า, เาล้มเสียเลวร้ายคือตัวเราเป็นบาปเราก็ได้บาปมองคนในแง่ร้าเนี่ยแง่ดีมีกับเราก็มองไม่เห็นมันมืดมันอัมออพางปิดบังความดีมองเห็นแต่ความชั่วเพราะจิตเรามันทั่วจิตเรามันไม่สายจิตเราไม่เป็นเพชรคือจิตเราก็ไร้สาระ ตอบได้เลยว่าชีวิตเราไม่มีค่าเวลาจึงไม่มีประโยชน์ต่อไปแต่ชีวิตย่อมมีค่าเมื่อไรเวลามีประโยชน์แน่นอนจะไม่ไปชอปปิง้งจะค่าแบบประโยชน์ร่วมกันในครบอบครัวจะทําอะไรทํำจะของดีตลอดจะไม่ทําของช่วยต่อไปแล้วจะอาบเทศจะอาบในเรื่องดีจะไม่คิดในทางทั่วถึงเราจะตายจากโลกมนุษย์สู่สัมภเวษพบเราจะคิดในแง่ดีไปสุกตึงตัดการขา ถ้าเราไม่มีแง่ดีนะไม่มีแสงสว่างในปัญญาเราจะคิดอย่าความทั่วเลยตายปัญญรกเลยเพราะมองไม่เห็นความดีที่เราทําไว้มันปิดบางอัมพรางหมดมันไม่ใชยมันคุณหมองชาวหมอผู้ใจตลอดเลยการเลยความดีนั้นจะไม่สิงสถิตอยู่ในจิตใจของบุคคล น, นั้นได้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นการจเจริญกรรมฐานเนี่ยถ้ามีมอดมตัตตีมีกระแสไฟมันจะแก้ได้ง่าย ถ้าเราไม่เคยทยํามื่อสมาธิจะแก้ดึงอะ่ะต้องใช้เวลาหน่อนกําหนดเนี่ยกําหนดคิกหนอรู้หนอถ้าเราไม่รู้อะไรกำหนดรู้ไว้ให้ใจอยากเดี๋ยวรู้จริงขึ้นมารู้จริงอะ่ะจดไว้มั่งสรรับรองแก้ปัญหาได้บอกคนไว่เนี่ยไปแก้ไปซ้ําปัญหาบอกคนมาเนี่ยบอกว่าโยมญาติมารับกรรมาฐานมีสาาัจจะมีไหมยอย่าออกไปเดินขอให้เก็บตัวหน่อยได้ไหม ขาเนี่เจ็ดวันนี้ให้ได้กลับของดีกลับไปเลยเรามันมันอย่าให้เสียเวลาบ่อยๆมานี่มันเสียเวลาเลยอเกินเนี่ยเสียเวลามากตัดเวลามาแล้วเนี่ยตัดปริภพกังวลมาแล้วเนี่ยอย่าให้มันเสียเวลาได้ไหมอย่าไปนั่งคุยกั น, นอย่าเดินไปไหนจะมาบอกแล้วเดินตรงกลมไปเลยเนี่ยเอากําไรหน่อยอย่าขาดทุนได้ไหมคนเราเกิดมายิ่งขาดทุนเสียใจด้วยเกิดมาทั้งทเอาดีไม่ได้ขาดทุนตลอด พรุทธเจ้าสอนว่าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของต้องเอากาําไรไหนเกิดมาทาั้งทีเอาดีไม่ได้ก็ขาดทุนหมดเวลาแลวก็ขาดทุนอย่างย้อยยับตายไปก็ไปนรกไปเดือดร้อนในมึงนรกต่อไปความสุขสบายในโลกมนุษย์เนี่ยเหลือหลายที่เราจะต้องสร้างขึ้นกลับไปทาความเดือดร้อนตลอดเลยการไหนเลยแล้วชีวิตนี้จะแจ่มใสก็เขาได้แก้มายากเลยแต่มาเนี่ยสอนเนี่ย บอกเดินไปห้องน้ําเดินไปตรงกลมไปเลยนะโยมนะเห็นหนอเสียงหนอเนี่เพราะว่าปียามาอยากโดยใช่อยู่เนี่ยก ล, ลับไปบ้านแก้ปัญหาได้อย่าไปทิ้งตามมันต้นงใช้อยู่แล้วเห็นหนอสิรงจากหน้าผาไปเลยพอสมาที่ดีจะได้เห็นคนนี้ครบได้คนนี้นิสไม่ดีอย่ากคบเราจะได้สติดี เสียงหนอคนนี้มาพูดกับเราเนี่ยถ้าตีก็จะบอกว่าคนนี้พูดโกหกคบไม่ด่อย่าคบคุยขึ้นห้วยหลุงเขาหน้าตาดีดแท้แท้โกหกเราได้ชัดเจนนะน่าจะไปใช่กันบางพาไม่ใช่เลยพาไปหน้าทะเลาะกันในหูเรานี่ยมันไม่มีทรัพย์จริงๆหูไม่มีศีลตาไม่มีทรัพย์ตาไม่มีศีลปากไม่มีทรัพย์ไม่มีศีล กายไม่มีทรัพย์มีสินสัมผัสแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะใช่ได้คนที่มีสินมีทรัพย์สวยน่ารักจะยืนหรือจะเดินจะนัง่งจะนอน เ, เลี้ยวขาหรือววาสวยน่ารักจริงๆถ้าคนอารมณ์ดีจะยิ้มสวยถ้าคนเนี่ยโกรธเนี่ยเหมือนยักษ์จะเป็นสาวเป็นแค่แกไม่ไม่ยิ้มเหมือนยักษ์ยักษ์ยิ้ม แต่มันยิ้มที่มันหน้าตาซียิ้มแบบตาถลึงโมโหยิ้มอย่างนี้มันมันยิ้มยักยิ้มอย่างแย้มแจ่มใสตั้งใจโนนณาเจรจาไปเราะทรงเขาเอื้อเพื่อกครเลี้ยงก็ดูแขกไม่แครอยู่ข้ามมายิ้มอย่างนี้ยิ้มด้วยเงินยิ้มด้วยอารมณ์ไม่ใช่ยิ้มโดยแค่หรือเสียไม่ได้ยิ้มเยอะยิ้มยอกยิ้มหยัน ยิ้มดูถูกกรรันใช้ได้หรือคะคนที่ยิ้มมีสติปัญญาเนี่ยจะยิ้มสวยน่ารักดูได้ดูไม่หยากนะคือเห็นหนอเท่านี้เอง เ, เสียงหนอคนนี้พูดจาใช่ได้แต่พูดจาไม่เพราะก็จริงแต่พูดจามีเหตุมีผลที่หนาฟังได้สติมันจะบอกชัดเจนมากเนี่ได้กรบกรารดาชุดเนี่ยปรทธานทั้งหลายไม่ไปใช่อาตมากวาเสื่อชายแทนอยู่ ไม่ประโยชน์เหลือเกินแต่ท่านไม่ใช่ันหนึ่งท่านมีบุตรีดาท่านจะได้รู้ว่าเนี่ยคนโตะจะต้องเรียนหมอแน่นอนแล้วท่านพาไปเรียนอย่างอื่นมันจะไปได้เหรอท่านจะคิดว่าไม่ดีเหรอคิดว่ามานั่งวัดกับรู้วชีพรามณ์ตามวัดนั่งฟังกับนั่งพูดชอบฟังก็ชอบพูดแต่ไม่ชอบทำไม่ชอบปฏิบัติคนประเภทนั้นไร้สาระเป็นคนเง้อเ ง, ง่าเต่าตุนไม่มีทุนชีวิตเลยนะเราขอฝาวญาติยอมไว้ในโอกาสนี้ด้วย เนี่ยการปฏิบั ต, บติหน้าที่อันนี้สําคัญอริบทต่างๆเนี่ยเราก็เก็บไว้สิเก็บไว้ในหน่วยจิตเก็บไว้ในเรื่องจิตใจของเรามันเดี๋ยวมันจะออกมาเราก็ไม่รู้ว่ามาสามวันเจ็ดวันเนี่ยได้หรือยังไม่รู้ถ้ายอเก็บหน่วยจิตไว้ได้มา ก, แ, กแล้วเราได้ได้สต๊อกเจ็บเข้าไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์รับรองได้เลยว่าถึงเวลามีทุกจะออกมาแก้ให้ ถึงได้รู้ว่าเราได้ปัญญามาติดนักตัวแท้ๆนั่นคือเพชรอบางคนเนี่ยไม่เก็บหน่วยจิตเลยไม่เดยเคยอริยบทต่างๆไม่เคยกำหนดลอยไปตามยะถากรรมไม่มีการเก็บหน่วยจิตรับรองมีทุกแป้ไม่ได้ไม่มีใครช่วยหรอกแต่ย่อมมาปฏิบัติเก็บหน่วยจิตเข้าไว้เก็บอารมณ์ไว้ตามสถิปัญญาไว้ดีก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อ8ได้เดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นถ่าจะแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาได้นั่นคือตัวปัญญารอบรู้ในกองการสังขารได้ชัดเจนมากขึ้นนะก็มีประโยชน์แก่ท่านเองโดยเฉพาะมีความหมายระลึกชาติได้ระลึกเหตุการณ์คุณชีวิตได้สองอาจจะได้รู้ว่าเราทำกรรมอะไรวะจะได้รู้ว่ากลุ่มนี้รถมันจะชนหัจะแตกคอจะหกักหรือไม่ เราจะได้รู้จะได้แก้ไขตรงนี้นานาพิจารณามะอตมาผ่านมาหมดแล้วเอาละซิปีตุลาลดจะทนยอมตายเที่ยงสีผ้าตายป้องเงยทนเรารู้ล่วงหน้ามันจะมีประโยชน์มากทาไม่รู้อะไระเฉลยเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะไรเป็นอะไรไม่ใช่เรียงเร็วไร่นะขอให้ทำได้ปัจจุบันอดีอย่าไปสนใจ อนาคตอย่าไปสนใจสนใจเดี๋ยวนี้จะทาอะไรท้มันเสร็จอย่าไปนั่งคุยกันไปนั่งคุยกันก็เก็บหน่วยจิตที่ไม่ดีไว้แต่ น, าน้าเสียดาในเวลาต่อไปอย่างนี้ <c oughs> แต่ก็ขอสรุปเกี่ยวกันว่าทํากรรมฐานไม่จะคงง่ายยากมากความดีมันเป็นศัตรูของชีวิตความดีเป็นศัตรูของชีวิตตอบข้อสองเล่มสองไม่จะบอกว่า สตูคืออะไรสตรูคืออุปสรรคที่ทลายจะทําด้ไมีอุปสรรคขัดขวางนั่นคือความดีเราอดทนไหมอดทนต่อรูปเราไปอุปสรรคหายไปความดีเข้ามาแทนที่ชีวิตนี่คือความดีเลยนะเอาไปเลยนี่แหละความดีต้องมีอุปสรรคเท่านั้นะสรุปข้อสามคนช้าความดีนั่นต้องลงทุนความลาบากเพื่อเกิดความยากจะเกิดขึ้นกับตัวเรา ใครหนอทนลําบากความยากลำบากได้ทนเจ็บใายากคนนั้นเป็นท่าเอกนังเอกเป็นเทพไทยทุกแหล่งได้สามารถชนะได้ทุกคิดษาอันนี้เป็นเรื่องสําคัญคนที่สร้างความชั่วโดยไม่รู้ตัวชอบลงทุนความสบายกินสบายนอนสบายไม่เอางานออกาการกําลังชั่วโดยไม่รู้ตัวชัดเจนกํากลังชั่วโดยไม่รู้ตัวแล้วชอบสบายเหมือนละครชีวิตนี้แหละหนอ ออกมาเล่นก็นสมมุตินามแทนชื่อนี่สมมุดนามแทนชื่อเท่า น, นั้นให้เรียกชื่อกันง่ายง่ไปสมุติแต่ก็สมุติอยากเป็นคนดีเห็นพระเอกสมศักดิ์ภาคีทั้งนั้นดูตอนเล่นสิเล่นไปเล่นมาเล่นมาเล่นไปเล่นมาเล่นไปจะลาหลงจับตัวโกงเลยทุกคนไหนเกลียดตัวโกงเขาเริ่มจะหลงลิเกอย่าไปเกลียดคนโกงาย่งเมตตาคนโกงอย่าไปหลงลิเกอย่าไปหลงละครชีวิต พูดอย่างนี้ยอมคงจะเข้าใจนะใครหนออยากได้เป็นคนชั่วไม่แต่อยากได้เป็นคนดีอยากเป็นพระเอกนางเอกด้วยกันแั้งแต่ไม่อดทนดูเล่นไปดูภาพปฏิบัติข้องเขาดูนิสัยปจยัจจัยไม่เคยเป็นพระเอกเลยไม่มีความอดทนเลยโบนเขาหน่อยเบ้เลยเบ้เลยไม่เอางานโอกาเลยเป็นพระเอกได้เหรอคนที่พระเอกนางเอกเนี่ยต้องเอางานโอกาต้องต่อสู้ตลอดไปจนชีวิตทำไม คนที่เขามีบริษัทถึง 15-16 บริษัทอดทนขยันตีหนึ่งตีสองยังทำงานมีทุนแสนเดียวเขาบอกตอนนี้อยู่โรงพยาบาลให้ผ่าผ่าตายล้วบอกให้ผ่ากําหนดแล้วคอนช่วยแล้วเคนที่จะไม่ออกชื่อมีบริษัทถึง16บริษัทมีทุนอยู่แสนเดียวสามารถมีเงินเนพันพันล้านก็เพราะเหตุดังกล่าวคนเราเหมือนกันไม่ได้ขอฝากไว้ทุนมาไม่เหมือนกัน ก็ขอสาพี่น้อยทุกคนเราใช like ้ทุนไม่เท่ากันเข้าใจคานี้ไหมสิริไฉมีทุนไม่เหมือนกันและใช้ทุนไม่เท่ากันสิรว่าจมาเราใช้ทุนไม่เหมือนกันทุนของคนอยู่ตรงไหนทุนคนอยู่ตรงไหนอยู่ที่หน้าที่การงานเราใช้ทุนเหมือนกันเหรอกาใช้ทุนเหมือนกันคนเราก็เหมือนกันหมดเลยรวยเหมือนกันหมด เสีดายเรือเกินใช้ทุนไม่เท่ากันเขาทุนไปทิ้งไม่ใช่ประโยชน์สอดทิพย์เนี่ยตัวเองแต่บริการได้คนเรามีทุนเท่ากันเกิดมามีหูมีฟังมีปากมีฟันในการทำอะไรแต่ทุนใช้ไม่เท่ากันใช้ไม่เหมือนกันบางคนทํำไมรวยล่ะบางคนทํำไมจนละ่ะบางคนทำไม่หาชาติสินคร้าแล้วเขาใช้ทุนไม่เหมือนกันที่เสหลายเข้าใจไหมเนี่ยพูดคำนี้เข้าใจไ้ย พระมาบวชทุกองไม่ใช่ดีทุกอง์ทุนไม่เหมือนกันอไม่เหมือนกันนะและใช้ทุนไม่เหมือนกันด้วยด้าวอะไรจะได้ดีเด่นเห็นชาลัยเห็นกลายนี่แหละขอฝากพวกนักพี่นอกก้องกลับมาถามคนเรามีทุนเท่ากันเหมือนอย่างมีปากมีหูมีฟังมีมือแต่ใช้ทุนไม่เหมือนกันใช้ทุนไม่เท่ากัน เอาไปคิดหน่อยเอาไปเขียนหน่อยใช้ทุนเท่ากันเหรอะเวลาการต่างๆก็ไม่เท่ากันเนี่ยแต่เราใช้เวลาแม้แต่วินาทีเดียวให้มันคุ้มค่าและดีกว่ากันนี่ยใช้ทุนมันไม่เหมือนกันเลยแล้วทําไมเขาต้องรวยมหาศาลเราก็อยากจะรวยมากทุกคนอยากรวยอยากสวยอยากดีอยากมีปัญญาอยากรวย อยากมีไม่อยากจนแต่เสียใจยทุกคนไม่อยากทำมีทุนเหมือนกันแต่ใช้ทุนไม่เท่ากันขอจนเจริญพรว่าทุนไม่เท่ากันหรือไงมีทุนเหมือนกันมีมือมีแขนมีขาเหมือนกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันบางคนใช่อย่างดีใช้เด้ของดีมาบางคนใช้เด้ของชัว่วนี่เห็นไหมสรุปให้ฟังว่าคือเหมือนการกับทาของเขา ใชทุนไม่เหมือนกันใครก็อยากดีเดียวกันทุกคน่ะแต่มันดีไม่ได้ถึงจะไหลเลยเป็นท้ายไม่ใหญ่เลยใครอยากชั่วนะขอเจริญพรถามมาเกิดมาอยากเป็นคนชั่วเลยอยากดีอยากเป็นพระเอกทั้งนั้นแต่ทําไมไม่เหมือนเขาล่างกลงวิธีใช้ทุนไม่เท่ากันความดีเหมือนกันเหรอเอาไปเสีย น, น้วยนะใช้ทุนไม่เท่ากัน เราแสดงความเห็นใจด้วยเพราะทุกคนเหมือนกันไม่ได้ดังที่กล่าวกุศลาธรรมะกุศลาธร ร, รมะคนเราเกิดมาเหมือนกันมีหูมีตามีปากมีฟันใจโกเทงกรรมแยกประเภทสรรพสัตว์จากการกระทำภูเขาเหมือนกันไม่ได้เราเห็นใจด้วยเหมือนกันไม่ได้เลยตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยจะทาไม คุณคืออวัยวะร่างกายก็ท่ากันจิตใจก็เหมือนกันเป็นหญิงเป็นชายมีเพศหญิงชายไม่ใช่ที่ท่ากันแต่ใช่ทุนไม่เหมือนกันเลยหน่าที่ได้ตรงนี้ความรู้สามารถเรียนทานด้วยกันได้เรียนทานด้วยกันทั้งนั้นเป็นด็อกเตอร์ด้วยกันแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วทุนนั่นใช่มาไม่ท่ากันเลยมุ่กุศลเหมือนกันไม่ได้ อันนี้เราเห็นใจด้วยนะโยมนะเราตมาเห็นใจโยมไม่ต้องการได้กําไรก็ไม่เป็นไต้องการขาดทุนก็เสียดายเวลาที่เกิดมาเดี๋ยวเราก็ตายจากโรกไปแล้วไม่มีแรงติดตัวไปเลยนะไม่ว่าช่างทุนบุญกุศลไม่ให้ลูกเราบ้างในครอบครัวเราบ้างเราจะย้อนแลใหทางสักนิคหนึ่งนี่ท่านผู้คับกองเนี่ยเรียกแบบเก่าผ่านสมุดโทรชนอินทนา มพศาา2510ย้อนให้ฟังเป็นเจ้าภาพบวชฝรั่งวิกโก้ปรูนทำไมมาบวชที่นี่สามที่สองปีนี่วิกโกรปรูนสามารถลึกชาิได้สามารถโทรกิจไปให้แม่ที่อนอร์เวย์หายจากโรคภยัยเคิตใช้เก็บได้อดีตชาติใครวิกโกรปรูนเป็นชาวเวยทำไม สนใจมาหมดที่ททำไมสนใจมาอยู่กับวันนี้มาสองพันสาม้ 2, อยสิบสองพันห้าร้อยสิบเป็นเวลาสามสองปีตั้งแต่โบหล้างเก่าต่งแต่วัดนี้ยังไม่เจริญเขาอยู่กุฎกระมาถาของแม่เรือนแม่แม่ละแม่ใช้ยิ่งหญิงสองลสองชาติหญิงสองล่างนางสองชาติ ติมชัชชากรรมฐานเนี่เป็นองค์เป็นขั้นแรกวิกโกโป ร, รนอยู่กุฏิหลังทําไมมาบวชที่ น, นี่เขาเป็นคนชาวนอร์เวย์ทำไมต้องมาอยู่ประเทศไนีนก็ครั้งอาดีตชาติมันผ่านมาเขาเป็นชาวฮลนดานําเรือกําปั้นมาจอดที่นาวัดอัพพวาันกับคนจีนสามคนและชาวฮลดานั้นก็ มาค้าขายกับสมเด็จท่านอรายมหาราชเมืองระโวเมื่อสมัยหลายร้อยปีนั้นแม่น้ำเจ้าพญาลุ่มลึกม า, นามกน้ำเรื้กําปานผ่าน ป, ป, ป, ปกากคลองบางพุชาสู่ระโวลงเข้าไม่น้ำลุบบีมาจอดเรืออยู่หน้าวัดโบสถ์ที่วัดนี้มันมันทังไปหมดแล้วเลยก็คจีนกินเหลียงกินจือก็มีศรัทธาสร้างโบสถ์ถวายเมื่อสมัย ปูครูยามชังวอนที่วัดนี้อายุ99ปีแล้วฮอลันดาก็ไปขอพระนารปกแต่กระทั่งเป็นคลิกขอพระนารปกจากสมเด็จท่านลายมหาราชจากมรนโว่สององค์ใครอยากดูไปอยู่ที่กุฏิกันเอาออกมาจากโบดมาไว้ที่กุฏิคางคนหูตื้มกรมค้างคนหูตื้มกับหูยาน เป็นเนื้อหินเนื้อหินทรายบริบูรณ์มากในอดีตที่ผ่านมาคนจีนและชานโบสไว่ามีมีกางสายมากมายและมียกด้วยเราก็เก็บไว้โบสเป็นทงังอดีตมาปัจจุบันก็คือวีโกโปรูนเป็นชาวโนวีเขามาเรียนศึกษาภาษาไทยสอนศาบที่ ม, มหาจุลา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบปริญญาโทมีนางสาววัฒนาห่อเป็นแฟนกันมากอนำกันมาเรียนแต่แล้วไม่ได้ก็แล้วแล้วพอดีอ่ะต้องมีเจ้าภาพมาเขาก็อยากให้มาบานแปลกทำให้คิดอยากจะมาสถาที่บานแปลก็คือชาวเวียนจันท์ อยากจะมาดูปั้นเหมาะก็มาแบกหีบมากก็มาถึงเจ้าคุณชมโมลีถามปัญหาแหลกตอบไม่ได้เจ้าคุณก็ต้องาพาฝรั่งมาทวนถามปัญหาสิบข้อจะมาตอบไปตอบไปเขาถูกใจเขาถูกต้องย้อนอดีตไปอยู่มาไม่ชาเขาก็แบกหีบมาบวชขอบวช สถานที่เราไม่เป็นอุปชาก็ต้องบวชที่วัดกลาโดยท่านตอนนั้นร้อยเอกนี่ไงเป็นร้อยเอกแล้วนี้พันต้รวจโทชนอิชนาเป็นเจ้าภาพถือภ้ากลายแล้วนายเพอเกตดีเลิกสมัยก่อนเป็นนาเพอพระนครมาเป็นนาเพอทรงบรุรีก็ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชฝาหลังนี้มานี่มานี้สามสิบกว่าปีแลยย้อนให้ฉันฟัง เขาบวดห้าสิบสองวันได้เรื่องเลยเนี่ยทำได้ผลเลยอยู่นอร์เวย์พ่อเขาเป็นใครนะพ่อเขาเป็นวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้วการไฟฟ้าเห่ น, นวิปู่เป็นสดาจา์พระเิชัดมหาวิทยาลัยออสโรลแม่เป็นใครแม่เป็นเล ข, ขานุ ก, การมหราวิทยาลัยออสโรไลมีลูกชายเพียงคนเดียว เรียนจบที่นี่เดีวมานั่งกรรมฐ า, านห้าสิบสองวันแม่มาสบายมากแล้วก็ปู่เขาก็บอกว่าดิโก้ไปเมืองไทยเอาของดีมาฝากปู่ให้ได้เอาของดีมาฝากปู่ให้ได้ดิโก้ก็นึกแล้วของดีในประเทศไทยไม่มีอะไรในการศาสรนาแต่เขายังไม่สนใจเรื่องศาสนานะแต่บ้านเขาสนับพิธ จบปริญาโทสอนสาสตร์ทแลักขอลาพักมาบวชบวชอยู่ที่นี่ประมาณสองเดือนทั้งเป็นนาคด้วยทั้งถึกไปอยู่วัดยังไม่ไปเยียนแม่เขาป่วยหนักไปโรคลายต้องตายเลยก็โกฟูลก็ถามว่า หลวงพ่อเห็นคนไทยตรวจหน้ามีคนตายคนเป็นได้ไหมบอกได้เราเห็นก็ทำได้แหละธุรจิตได้แม่เขาหาจากโลกภัยไข้เจ็บได้ทันทีเขาก็เชื่อตอบมาทางสือและปู่เขาเห็นผ้าเหลืองลอยไปจากการอุทิศจงกุศลของวิโก้บลูดังที่นอร์เวย์นั้นมีพ้าขึ้นราที่ขึ้นงคืน นามาให้พวกในระดับในช่างไปฝ้าไฟไฟปิไปดูงานเขาต้อนรับไวในบาลที่เขาดีใจมากเราลูกเข้ามาที่นี่เราอุปการละแล้วลคนไทยไปเขาก็อุปการละคนไทยยางดียิ่งอย่าย้อนอดีตให้ทันฟังเรื่องเล็กๆน้อยๆสามารถจะรู้เหตุการณ์ในจริงก็ได้แก้ปัญหาได้มีเรื่องเยอะ ทำไมสามารถเล่าในที่นี้ได้ทั้งหมดแล้วก็เห็นท่านพันตำรวจโทชนิชนชารักกันมากมาอยู่อำเภอพรมหลายเดือนหลายปีแล้วก็ย้ายไปแถวอวดไปปราบคอมมินิตตมา ก, ก็ไปส่งอตมาไปตายในรถไฟตามท่านทำไมต้องตายใช่จริงแตกในรถไฟต้องตายท้าที่ คุณนายเฉลียวร้องไห้ตลอดในบนรถไฟนะว่เอาหลวงพ่อมาตายเนี่ยเราก็บอกไม่เป็นไรไม่จะไปเสียใจตายในรถไฟเดี๋ยวไปถึงถ้าอวดเผาไปเลยเผาไปเลยหมดเรื่องดั้งหล้าอย่าสร้างเวงกรรมอาตมาตอนไก่ตายหมดทั้งขอบตายเน่าเลยเราก็ต้องมาเป็นใช่เน่าตายอย่างระ ว, วังนะพวกปฏิบัติถ้าไม่สนใจเรื่องเวงกรรม กตมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านใจพยานไปนั่งรถไฟก็ท่านตีตัวนอนเลยนะเลยก็มานั่งร้อำร้องไห้กันว่าท่านจะต้องมาตายในรถไฟแต่แล้วไม่เป็นไรอย่าลืมปวดอย่างสุดซึ้งหรือเราไปต้อนกายใช่มันเน่าหมดมันมันก็ดิ้งตายเรเป็นเด็กนักเรียนแต่เราก็ต้องมาตายอย่างนี้น ย, ย้อนให้ท่านฟังว่าเวงกรรมตามสนอง ท่านก็อุปการละดีไปบ้านหมอแพทย์แตา่มาบอกไม่ต้องหมอบอกว่าต้องตายเนี่ยาตาดก็ไม่รอด้วเพราะชสยถึิงแตกเลือดเต็มหมดแตามาบอกขออธิษฐานข้าพเจ้าขอยอมรับ ก, กรรมที่ทำกาก่ไว้วดอย่างสดซึ่เนเลยน้ำตารุ่งเลยนะเนีย่ยท่านรู้ดีโน่นอเพเภอชะอวดจังหวัดออนครศรีธรรมราช อาตมาไปส่งท่านเป็นคนดีเนี่ยมนอยู่เป็นภูมิงคับกองผู้พริรมตำรวจสถา น, นีหัวหน้าสถา น, นีตำรวจเป็นเวลาสามพิสองปีแล้วที่ผ่านมาอาตมายอมตายที่จะจ้อวดั น, นึกว่าเผาแค่ไม่กี่ถังก็ไม่แล้วเลยขอที่ฐานว่าขอใช้กรรมไก่เราตอนมันตายทั้ง้อตายเป็นร้อยเลยเพราะตอนไม่เป็นไปจำเข้ามา แผลแล้วก็ตับไส้มันที้งลยใช่มันก็เน่าลายไส้แล้วเน่าเลย อ, อย่าทํานะอยาจะมือเวงกรรมเนี่ยสัมมาทนะํามจะหาคอนกตกปลาทุกอย่างว้าพาตด้สัมมาเนี่ยคิดถึงท่านมากแล้วเห็นใจคุณนายแม่บ้านของท่านไม่ได้เกลียดเลยนะอทำมาอุจจาระเป็นเลือดเป็นหนองนำ แ, แพทย์หญิงคนหนึ่งก็งมาช่วย บอกว่าท่านก็ไม่หลอดต า, ตายตายบ้านพุงครับอตอนรวจนี่แต่แม่เฉลยก็เอามือกวาดไม่เด็กเปียกเลยอุจจาระแล้วน้าหนองเต็มหมดเลยเต็มท้องโยมเ อ, อ๋ยโยมเราทำกรรมไว้เราก็ได้รับกรรมอย่างนี้เนรอลุงพึ่งชาติมาหายแพทย์หญิงอนามัยชั้นหนึ่งบอกท่านเป็นยังไงท่านรอดอยังไง แล้วก็ท่านก็พาไปนครริชมราชไปหาเจ้านายเป็นระดับในคนเคยเป็นหัวหน้ากองอย่างนี้ลองผู้รับาการเลยก็ไปชงท่านไม่ไปก็ไม่ได้เรารักกันแต่เมานี่กว่าไปเขานี่ต้องตายเนี่รถไฟแน่ใน่ไหมใช่จริงแต่เนี่ยเวงการตามถนนที่น้องสุดับโหลดจเจริญกรรมฐานจะได้รูปขวดแห่งกรรมบ้างตามสมควรควรจะตายหรือควรจะอยู่อย่างไง ตรรมาเนี่ยใช่เน่าเลยสองครั้งอยู่ในโบสถ์ข้างหนึ่งในโบสหล้างเก่านะเนี่ยเวงกรรมเเจริญกรรมฐานจะแก้กรรมได้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจเจริญกรรมฐานแล้วล้างกรรมไม่ย้ายต้องใช้จะหนักก็เป็นเบาไปได้หนักเป็นเบาได้อย่างนี้ธรรมาก็กลับมาท่านก็ ย, าย้ายปไาย้ายมาเป็นถึงพันตำรวจโท แล้วกยายไปก็ปกรกเสียนย้อนยุกย้อนอดไม่ช้าวีโก้ก็พากลับมาอีกลับมาเจอท่านตรงนี้ไม่น่าเชื่อกันเลยมาเจอที่หน้ากุติอีสมาสองวั น, นย้อนยุกมาพาพวกเดนหมากมาตรงสามสี่สิบมาทางนข้าวถึงแล้วก็ออกทีวีกันไปเนี้ยจดกันไปใหญ่เลยนั่งกรรมาฐานแก้ปัญหาทุกได้ฝลังยอมรับแล้วฝลังยอมรับหมด เนี่ยโกเทนกามอยู่ทีนอร์เวย์คือข้างอดี ต, ตชาติที่ผ่านมาคือฮอลันดาที่มาติดต่อกับพนรายและก็มาในชาตินี้ก็เป็นชาวนอร์เวย์ได้มาบวชที่นี่บวชแล้วก็แก้ปัญหาชี้ิเขาได้อย่างดีด้วยและนี่ก็เล่าย้อนให้โยมฟังว่าเขาแก้ปัญหาได้มันก็เนื่อแปลกเขาชอบอนางสาววัฒนา เขถามมาตะไมอีกนะบอกว่าพ่อจะแต่งงานคนนี้ดีไหมบอกนั่งเอาเองฮะนั่งเอาเองอเดี๋ยวเานั่งไปนั่งมาบอกว่าพ่อมาใช่คนนี้แค่ละแฟนต้องเป็นคนง้อยเป็นคนง่อยจะเป็นคนต่างชาติเดี๋ก็ได้ความกลับไปก็ไปได้กับชาวฟิลิปปินส์คนรวยแล้วก็เป็นโลกง่อยสอนภาษาจีนกลางที่มหาวิทยาลัยเดนหมา เจวแต่งงานการมีลูกคนนี้สองคนก็โตไปหนุ่มแล้วอันนี้ย้อนให้โยมฟังครั้าอดีตที่มานั่งกมาถามเป็นเวลา น, นานแล้วโดยพันพันตำรวดโทนท่านเป็นเจ้าภาพบวชนายเพลเกต ด, ดีเลิกก็สะภายบาทกับตะระปัดย้อนให้ท่าน ฟ, ฟังว่าเขาหลังบวชหลัง ที่เามานั่งกรรมาฐานพอสมควรแก่สัพพะลาไปแยกเราอุทาไปนั่งปฏิบัติตลอดใต้จะเห็นอะไรก็ตั้งสติจะฟังอะไรก็ฟังด้วยสติปัญญาอย่าฟังด้วยกิเลสเห็นรูปกลางหนะ้าตาดีๆก็ฟังด้วยกิเลสอย่างนั้นหรือดูด้วยกิเลสไม่ดีเลยพ้อตั้งใจอย่างนั้นขออำนาจคุณประสิทิลักษณะอำนาจบุญกุศทั้งหลายที่ท่านมาปฏิบัติกรรมาฐาน ขอให้ท่านได้มากผลขอให้เจริญลุ่งเรียงในปัญญาสามารถจะเห็นแจ้งประจัดพัฒนาจิกพัฒนาการศึกษาให้ลูกหลานพัฒนาอาชีพการงานให้ลูกหลอกโทษพันาการนานพัฒนาสังคมอยู่้วยการเมตตาดูด้วยความพึงพอใจจะพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จตามเป้าหมายและพัถนา